วันนี้หลวงพ่อตั้งหัวข้อเรื่องว่างายของที่คว่มเปิดของที่ปิดนะค ะ, ะหลายท่านก็เคยได้ยินมาแล้วเรา <c oughs> ยังไม่ต้องคิดความหมายก่อนเนาะเดี๋ยวคุยไปเดี๋ยวก็รู้เองเนาะว่าเอ้างางออกแล้วคุยไปคุยมาเดี๋ยวมันก็จะรู้เองว่าอ๋อเรื่องที่คุยมาทั้งหมดอ๋อมันมันไงของที่คว่ำของที่คว่มคือมันมองไม่เห็นมันคว่าอยู่พอมีคนชี้บอก ก็หายขึ้นเนะาะก็จะมีผู้จะเห็นได้อย่างง่ายได้ก็เหมือนเมื่อวานนะโยมเนะาะเออโยมที่พูดถึงอะไรล่ะอืมที่พูดถึงไปกวาดอะไรแล้วก็ออทำให้รู้สึกห่างจิงจกขาดหรืออะไรมั้งฮุนแจบค่ะออ แ, แล้วก็มีอาจจะจิตเศร้าหมองหรืออาจจะดูเหมือนกับว่าเ อ, อเราไม่เมตตาอะไรไม่มีวิหารธรรมอะไรก็เลยมาถามเนี่ยผู้มีปัญญาเนี่ยแค่พิกนิดเดียวในโอ้ยโบ้เลย โพเลยก็อพูดถึงบรรยากาศรอบตัวก่อนตอนนี้ที่ที่อยู่ที่วัดนะดูอากาศจะจะหนาวลงหนาวลงถ้าดูเครื่องวัดน่าจะสักยี่สิบถึงยี่สิบเอ็ดเนาะอ่ายี่สิบยี่บ็ดอาแล้วก็ช่วงวันสองวันนี้เริ่มมีลมลมพัดด้วยก็เป็นลมหนาวพัดอ่าลมหนัพัด พัดความหนาวมาก็รวกขึ้นมาทำวัดปกติก็จะไม่ไม่ต้องใช้ผ้าคลุมไหล่นะคือแค่ห่มจีวรพาดเฉียงอย่างเดียวพอมาสองวันนี้รู้สึกเออมันจะหนาวก็เลยเอาจีวรมาใช้ประโยชน์ก็คือเอาผ้าคลุมไหล่มาคลุมหน่อยหนึ่งอ่าเพื่อปกปิดอวัยวะเพื่อไม่ให้มันเกิดความหนาวจนจนเป็นอะไรนะก็เรียกว่าลำบากกับขันเนาะอืมค่ะ แต่จริงถ้าจะไม่ไม่ไม่เอาตัวช่วยก็ได้ก็คือจะศึกษามันแต่จริงก็ศึกษามานแล้วแหละเออศึกษาก็คือเรียนรู้เรื่องธรรมชาติที่มากระทบกายนะเมื่อธรรมชาติด้านนอกเรียกว่าหนาวมันกระทบกายมันก็รับรู้ได้นะก็รู้สึกเป็นความรู้สึกพอเป็นความรู้สึกเสร็จแล้วความรู้สึกเนี้ยมันลงสู่ใจเลยทาให้เกิดความ ชอบไม่ชอบแล้วก็คิดนึกปรุงแต่งแล้วก็อะไรนะมันไปรวมลงที่ใจหมดเลยแล้วก็เป็นความรู้สึกจะทุกข์หรือไม่ทุกข์มันอยู่ที่ใจแหละคือถ้ า, ถ, าถ้าไม่ชอบมันนะมันก็เป็นทุกข์ถ้าชอบมันมันก็ไม่เป็นกลางใช่ชอบความหนาวก็ไม่เป็นกลางไม่ชอบก็ก็เป็นทุกข์ทีนี้ฝึกจิตฝึกยังไงก็ให้รู้เท่าทันรู้อารมณ์โดยใจเป็นกลางบางคนครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า ให้มีจิตนะให้มีจิตตั้งมั่นเดี๋ยวนะอาจารย์ประโมทใช้คำว่าอะไรนะให้ให้ลืมเลยคิดไม่ออกแต่ทำนองว่าให้จิตตั้งมั่นลืมดยที่พอจะพูดไม่รู้อะไรแต่ทำนองว่าให้จิตเป็นกลางนะพอดีเมื่อวานก็มีโอกาสได้คุยมีแม่ชีก็โทรมามาปรึกษามาคุยกันเรื่อง คุยกันเรื่องประเด็นจิตเป็นกลางนี่แหละหลวงพ่อก็บอกว่าจิตเนี่ยถ้ามันเป็นกลางนะมันจะต้องเป็นกลางด้วยตัวมันเองเราจะไปบังคับจิตให้เป็นกลางเนี่ยไม่ได้แล้วก็ปฏิบัติผิดด้วยแต่ว่าเวลาเราพูดธรรมะเราก็บอกว่าเออต้องต้องให้จิตตั้งมั่นเนาะเรียก็มีความเป็นกลางคืออันนี้เขาพูดให้ฟังไงแต่ภาคปฏิบัติไม่ใช่ว่าต้องไปรักษาจิตทำทำจิตให้เป็นกลาง มันทำไม่ได้หรอกยิ่งทำก็ยิ่งไม่เป็นกลางแต่วิธีปฏิบัติก็คือว่าเมื่อจิตไม่เป็นกลางก็ให้รู้เมื่อจิตเช่นเช่นมันมันเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะเช่นมันมีความชอบความชอบนี่ไม่เป็นกลางนะแต่ก็ให้รู้มันว่าชอบไอ้แค่รู้ว่าชอบอะ่ะนั่นแหละตรงนั้นแลมันจะเป็นกลางหรือว่าถ้าจิตมันมีความรู้สึกไม่ชอบแต่ถ้ารู้สึกตัวหรือว่ารู้ขึ้นว่าไม่ชอบ ไอ้ตรงที่ขณะรู้นั่นแหละนั่นแหละคือมันจะเป็นกลางเออวันนั้นเวลาปฏิบัตินะอย่าไปบังคับจิตให้เป็นกลางนะเหนื่อยตายเลยแหละเอาแต่รู้ว่าเวลามัน <c oughs> มันไม่เป็นกลางนะ่ะเออก็ก็เห็นมันใช่ <c oughs> เหมือน <c oughs> เหมือนกับสมมุติว่าเราเทียบที่มองเห็นด้วยตาก็ได้เนาะสวยแล้วเรามีเรา ม, เรามีมีีเรามมือขวาเรามีมือซ้ายใช่ไหมเออขวาก็คือมันมันมันอยู่ด้านขวา ซ้ายก็อยู่ด้านขวาแต่ถ้าทําจิตในการรู้ให้เป็นกลางทํำยังไงอะ่ะก็รู้ว่าขวาไงแล้วก็รู้ว่าซ้ายแค่เนี้ยจิตมันก็อยู่ไม่เป็นอะไรแล้วไม่เป็นขวาไม่เป็นซ้ายแต่มันรู้ขวารู้ซ้ายได้จิตก็เลยไม่ไม่เป็นกับพวกไหนไม่เป็นกับพวกขวาไม่เป็นกับพวกซ้ายได้แต่รู้อเนี่ยพิษของความเป็นของไงแล้วนั่นเนี่ยที่บอกเนี่ย สวัสดีออเดียนซีเข้ามาใหม่ด้วยนะคะหลวงพ่อกําลังพูดถึงหัวข้อนะคะเรื่องอะไงของที่คว่ำนะคะเปิดของที่ปิดนะก <g ül> <g ül> <g ül> ็เป็นเป็นสภาวะเหมือนกับว่ารู้ที่เหมือนกับว่าเรารู้อย่างนั้นอยู่แล้วแต่ก็ไม่ไปเป็นอะไรกับมันนะคะทั้งที่มันอาจจะเป็นสิ่งตรงกันข้ามกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็แค่รับรู้แค่นั้นเองนะคะไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับมันค่ะท่านใดมี าการนัการมาคุยกันนะคะสนทนาหรือว่าความคิดเห็นอะไรนะคะสามารถยกมือขึ้นมาสนทนากันได้นะคะดึนเชิญค่ะก็มีนักปฏิบัติเยอะนะเมื่อเมื่อได้ยินได้ฟังบอกว่าเออทํ ท, ออทจิตให้เป็นกลางเนาะก็เลยไปพยายามไปบังคับจิตให้เป็นกลางอย่างเงี้ยผิดแต่ก็ไม่รู้ว่าผิดนี่จนกว่าจะได้ยินคำขยายเพิ่มเติ ม, ตมว่า ย่งหลวงพ่อบรมโอรเนี่ยเราก็ฟังบ่อยๆท่านบอกว่าอเมื่อจิตไม่เป็นกลางก็รู้มั่นว่ามันไม่เป็นกลางแค่เนี้ยตั้งมั่นแล้วในขณะจิตหนึ่งอ่ะขณะจิตที่รู้ว่ามันไม่เป็นกลางะเ น, นี่ยตรงเนี้ยเป็นกลางเรียบร้อยแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยก็รู้อย่างนี้แหละหรือมีคำหนึ่งที่บอกว่าความรู้สึกตัวเนี่ยความรู้สึกตัวคือไม่ใช่เผลอและ ก, ก็ไม่ใช่เพ่งเมื่อก่อนหลวงพ่อไม่เข้าใจหรอก เหมือนกับว่าความรู้สึกตัวไม่ใช่เผลอแล้วไม่ใช่เพ่งอ๋อมันคือคือใช้สมองคิดไม่ได้เลยว่ามันคืออะไรอ่ะแต่พอมาตอนหลังท่านก็บอกว่าเมื่อรู้อ่าเมื่อเมื่อมันเผลอแล้วรู้นั่นแหละมีมีความรู้สึกตัวแล้วหรือว่าเมื่อเพ่งแล้วรู้นี่ก็มีความรู้สึกตัวแล้วเอ้ามันแค่นี้เองนี่ก็คือว่ามันเผลอแล้วก็รู้นี่ไงรู้สึกตัวถ้าเผลอแล้วไม่รู้อย่างนี้ ไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกตัวมันก็ไม่เผล อ, อก็ถูกแล้วไงเพราะมันคนละสภาวะกันเนาะมันต้องเผลอก่อนเนา ะ, ะสมัยนั้นในชีวิตจริงที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องเผลอก่อนพอเผลอแล้วเนี่ยตอนเนี้ยยังถ้ายังไม่รู้สึกตัวก็คือมีแต่ความเผลอแต่ถ้าต่อมารู้ว่าเผลอนี่ไงรู้สึกตัวแล้วเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวจึงไม่ใช่เผลออ่าจะไหม ทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้จะเอาแต่ความรู้สึกตัวแล้วก็พยายามรักษาไม่ให้เถลอให้รู้ตลอดอย่างนี้มันก็กลายเป็นเพ่งไปอ่ะพอเป็นเพ่งเขาบอกว่าเพ่งก็ไม่ใช่รู้สึกตัวนี่เออก็ถูกแล้วแหละมัวแต่เพ่งอยู่ก็ไม่รู้ว่าเพ่งแต่ถ้าเขาวได้ว่ารู้ว่ากําลังเพ่งอยู่นั่นแหละคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวจริงไม่ใช่เพ่งไม่กลดสะภาวะกัน <c oughs> อ่าทีนี้ เราปฏิบัติทำอะ่ะไม่มีใครหรอกที่ไม่เพ่งอะ่ะโดยเฉพาะมือใหม่โอ้ยไปดูลมก็เพ่งลมดูโดมลมแบบดูแบบแบบแบบไม่ให้เผลอเลยนะอันนี้ก็เป็นเพ่งไปหรือดูกายเคลื่อนไหวยกมือสิบสี่จังหวะแบบหลวงพ่อเทียนเพ่งเอาไว้เพราะว่าถ้าไม่เพ่งกลัวจะไม่รู้ก็เลยเพ่งจี้เอาไว้อย่างเงี้ยก็ยังไม่เป็นความรู้สึกตัวก็ยังเพ่งอยู่อ่ะ แต่ถ้าต่อมามีการพัฒนารู้จักว่าเพ่งเป็นยังไงทีนี้จะง่ายแล้วจะเพ่งก็รู้จะไม่เพ่งก็รู้ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยก็จะรู้รอบรู้รอบคือเพ่งก็รู้ไม่เพ่งก็รู้ที่เราฝึกจริงๆเราฝึกรู้นะเราไม่ได้ฝึกเพง่งสติแปลว่าความระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวนะเพราะนั้นฝึกให้รู้ตัวเพ่งก็รู้เผลอก็รู้ เอาเอาอาการนั้นๆแหละมาเป็นตัวฝึกอืทีนี้เราก็ถ้ารู้จักอย่างนี้ก็หัดเพ่งดิบวกเพ่งปั๊บมันรู้เลยพอรู้จักเลยนี่ยมหลงเพ่งอะไรก็ได้เพ่งเนี่ยเอาใช้ตาเพ่งก็ได้เพ่งไปมองอะไรเนี่ยเบิ๊อ่าววกเพ่งปั๊บมันรู้แล้วหรือจะเพ่งมาที่ภายในนะเพ่งดูจิตหักคอมาแล้วก็หัวดูจิตอ่ามันก็รู้ว่าเนี่ยเนี่ยกำลังเพ่งแล้วเมื่อก่อนนะมันไม่รู้จักไอตัวเพ่งนะบวแต่ หลงวงพ่อเมื่อก่อนนะ ด, ดูจิตคิดเนาะยังขำไม่หายหลวงพ่ก็เดินจงกรมแล้วจ้องเลยนะดูที่ว่ามันจะคิดอะไรนะจ้องนะจ้องจ้องจองเอง อ, อมันก็ไม่คิดจริงๆนะเหมือนกับจี้มันมันไม่คิดแต่ว่ามันจะเหนื่อยมันจะเครียดทีนี้พอตอนหลังก็เริ่มรู้จักว่าอ๋อไอพฤติการการทําแบบนั้นนั่นแหละเป็นการจ้องก็เลยรู้ว่าอ๋อแบบนี้มันจ้องก็เลยรู้จักการจ้อง เมื่อรู้จักว่าจ้องเมื่อรู้ว่าจ้องนั่นแหละคือเป็นความรู้สึกตัวแหละมันจึงต่างจากเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนจ้องหรือเพ่งไม่รู้ไงไม่รู้ว่าจ้องว่าเพ่งแต่จะให้รู้อีกสิ่งหนึง่งที่ที่ที่ไปเหมือนกับอธิบา ไ, ไงอะ่ะคือไอตัวจ้องตัวเพ่งเนี่ยกําลังมีอยู่แต่ไม่รู้ แต่ที่จะรู้กับสิ่งที่ถูกจ้องถูกเพ่งอ่านี่มันไปไปที่ปลายทางนู่นมันไม่รู้ต้นทางว่าต้นทางเนี่ยตัวเพ่งนะหรือตัวจอ้องไอันนี่คือต้นทางแต่จะไปดูปลายทางมันก็คือดูว่ามันความคิดจะเกิดไหมอย่างเงี้ยมันไม่ถูกจริงๆอ่ะถ้าถูกก็ถือรู้ที่ต้นทางมันว่ามันมีพฤติกรรมยังไงต้นทางก็คือเพ่งใช่ไหมเออหรือว่าจ้องนะ ทีนี้หลวงพ่อก็จะเทียบให้เห็นอีกอย่างหนึ่งว่าทุกวันเนี้สมมติว่าเราเนี่ยนะกำลังสแสวงหาธรรมะกาลังสแสวงหาการออกจากทุกข์แล้วก็สมมติว่ามุ่งนิพพานเลยอันนี้ขั้นสูงเหมือนกับว่านิพพานไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเนาะมันอยู่ข้างหน้าหลยมันอยู่ที่ยังไปไม่ถึงนะแล้วก็ไปหามันทีนี้โยมดูนะเวลาไปหาเนี่ยมันเอาอะไรไปหาก็เอาขันท่าไปหาเนาะเรียกว่าตัวเรานี่แหละ เอาตัวเราไปหานิพพาน่ะตรงเนี้หลวงพ่อใจชี้ให้เห็นว่านิพพานเนี่ยมันอยู่ปลายอยู่ปลายแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่รู้ปลายมันไปถึงไหนแต่ตัวต้นเนี่ยตัวต้นตัวไหนตัวต้นก็คือขันห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้รู้ที่ขันห้าไม่ใช่ว่าไปหานิพพานเนี่ยชัดนะตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าเอาตัวเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาเอาขันห้าไม่ใช่ว่าเอาตัวมันคืออะไรละ่ะเขาเรียกจริงๆมันมีแต่ขันห้าเนาะ แต่ด้วยความหลงเนี่ยก็ไปยึดขันห้าเป็นตัวเราพอเป็นตัวเรียบร้อยเสร็จแล้วตัวเราก็มุ่งไปหานิพพานโยมดูนะไอ้สองสิ่งเนี่ยนิพพานกับตัวเราที่ผู้มุ่งไปหานะ่ะมันจะเจอกันไหมเล่าเออพรอนิพพานเนี่ยท่านบอกว่าให้รู้แจ้งขันห้าอ่าแล้วก็ไม่ยึดถือขันห้าแต่เราอะ่ะดันไม่เห็นขันห้าไม่เห็นตัวเองที่ไปหานิพพานเพราะนั้นนหากันตายเลยอะ่ะ น, นิพพานก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วก็เอาตัวเราไปหารอบโลกก็ยังไม่เจอเพราะนั้นนนิพพานคือรู้ตัวเรานั่นแหละแล้วก็เข้าใจถูกอย่างแจ่มแจ้งว่าตัวเราเนะี่ยจริงๆร่งคือขันห้าแล้วก็เมื่อรู้แล้วไม่ยึดขันห้าไม่ยึดถือเมื่อไม่ยึดถือขันห้ามันก็พ้นจากผู้ยึดใช่ไหมจึงมีแต่ขันห้าเกิดดับไปเมื่อไม่มีผู้ยึดตรงนั้นแหละมันก็ พบนิพพานขึ้นมาว่านิพพานคือไม่มีตัวตนเอมีแต่สังขารเกิดดับแต่นิพพานเนี่ยสิ้นไปแล้วแห่งผู้ยึดถือเอเพราะนั้นง่ายๆเลยให้รู้ที่ต้นทางอย่าไปเอาที่ปลายทางซึ่งอยู่ไกลนี่ตรงนี้ก็บอกทางอีกแล้วพิกของที่ว้าไม่เป็นของที่หายอีกแล้ว <c oughs> เา่านไหมเนี่ยพราต้องชี้แบบเนี้ย <c oughs> คือทําไม่พิกแบบนี้ไม่ไม่หายแบบนี้โยมไม่เห็นหรอกโยมก็เอาตัวเองไปหาเรื่อยแหละ อาฮาห า, หาโอ้ยกี่พบกี่ชาติก็ไม่เจอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ขนาน้านี่เห็นมันรู้มันว่ามันไม่ใช่ตัวตนหรอกมันเป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ไม่มีผู้ยึดพอไม่มีผู้ยึดมันก็ใครจะทุกข์อ่ะผู้ผู้ทุกข์ไม่มีผู้ยึดไม่มีใช่ไหมเออเมื่อไม่มีผู้ยึดไม่มีผู้ทุกข์ผู้แก่ผู้เจ็บผู้ตายก็ไม่มีอ่ะมันก็เป็นความว่างเปล่าคือว่างจากตัวตนว่างจากกิเลสต น, นะว่างจากความยึดมั่นถือมั่น ฝึกอย่างนี้นะฝึกอย่างที่หลงวงพ่อบอกนะอืเห็นขาน่าปล่อยวางไม่ยึดถือไม่มีผู้ปล่อยด้วยนะอย่าอย่าบอกว่าเราปล่อยขั น, น่าแลยแต่เราปล่อยขั น, น่านี่ยังมีตัวเราเป็นผู้ปล่อยเนาะเอาเป็นว่าทําความเข้าใจให้ถูกตามหลักคําสอนว่าพระพุทธเจ้าสอนแต่สังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือไม่มีตัวเราตัวเราไม่มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะมันมีแต่ความหลงผิดคือไปยึดขาน่าเป็นตัวเป็นตน ถ้าเข้าใจให้ถูกเข้าใจให้ถูกว่าตัวไม่มีเราไม่มีเรานะมันก็คือเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาขั้นสูงนะก็แค่นี้เองจะเดินจะนั่งจะนอนก็เห็นเนี่ยเห็นตัวเองที่มันเดินอะ่ะตัวเองก็คือขันห้าแหละเคลื่อนไหวไปเนอะรู้มันรู้มันเห็นมันเห็นบ่อยๆทีๆเดี๋ยวลืมอีกถ้าเห็นทีทีเนี่ยก็รู้อยู่เห็นอยู่ว่าไอเนี้ยคือสังขารแต่ถ้าเผลอมือเพลินจนลืมลืมไปว่า ลืมตัวนะ่ะพอลืมตัวเสร็จแล้วมันก็เท่ากับว่าไม่ได้เห็นขันหน้าเนาะไม่ได้เห็นสังขารอ่ามันก็ต่อไม่ติดติตตตตตตงยิ่งลืมนานเนี่ยมันก็หลงนานเถอแต่ถ้ารู้บ่อยๆรู้บ่อยๆบ่อยๆมันก็จะเห็นอยู่เนืองๆอยู่เป็นประจำมันก็จะเกิดความเข้าใจถูกอย่างต่อเนื่องออจริงๆอะบางคนฝึกนะระหว่างฝึกเนาะเห็นถูกต้องแล้วแหละเห็นถูกต้องว่าเออนี่เป็นสังขารเนาะแต่หลับไป ส4ี่ชั่วโมงตื่นมาลืมเลยตื่นปั๊บเป็นเราไปเลยใช่เออคือคือคือมันหลงไปกับร่องเก่าฮะหลงกับหลงไปกับร่องเก่าคือหลงไปยึดถือว่าอ้าวเราตื่นแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำงานนแล้วก็สักพักหนึ่งจึงนึกขึ้นได้ว่าเอ้าเมื่อกี้นี้หลงยึดถือว่าเป็นเราอีกแล้วเออก็ความหลงก็หายไปก็เป็นความเข้าใจถูกต้อง พอเข้าใจถูกต้องแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเดินจะนั่งจะนอนก็ทําความเข้าใจให้ถูกต้องว่ามันไม่มีเรามีแต่ขันหน้าเคลื่อนไหวไปขันหน้าไปทํางานขันหน้าพูดได้คิดได้เดินได้กินอาหารได้เออเห็นมันรู้มันอย่างเงี้ยทําให้ต่อเนื่องอย่างเงี้ยอืมอยู่ที่ความเพียรละครนี้ยนะเห็นถูกแล้วก็ความทําความเพียรให้ถูกนะให้ถูกก็คือไม่ใช่ว่าปฏิบัติเพื่อเราจะไปถึงนิพพานไม่ใช่ว่าเพื่อเราจะพ้นทุกข์อะไรมันไม่มีเรา มันพ้นทุกข์ได้ก็เฉพาะหน้านี้แหละเห็นว่ามันเป็นสังขารไม่เที่ยงไม่ใช่เราไม่ใช่เราเห็นอยู่อันนี้เป็นคำบอกบอกเป็นคาบอกคือเปิดของที่คว่ำให้ง่ายขึ้นค่ะก็ถ้าสมมติอย่างนี้ค่ะหนูเคยคุยกับบางท่านนะนะคะท่านก็ยังรู้สึกว่าเออพอเราบอกว่าเนี่ยเราไม่มีตัวตนอันนี้มันเป็นแค่ขันห้า มันเป็นแค่ธาตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเหมือนกับทํำยังไงเขาก็ยังไม่เข้าใจค่ะอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีวิธีการแก้อย่างไงบ้างคะอ๋อยังไม่เข้าใจอย่างนี้ต้องแยกนะต้องแยกย่อยต้องซอยต้องถลุงเนาะอ่าเดี๋ยวหลวง <laughs> พ่อจะจะแยกก็เป็นชิ้นส่วนแล้วเป็นฉีกเป็นให้มันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอ่ะแล้วดูที่ว่ามันเป็นตัวตนไหมเนา ะ, ะสมมติว่าตอนเนี้ย ตัวเราที่ประกอบกันเป็นตัวนะเป็นรูปกายก่อนเนี่ยที่เห็นได้ชัดชเป็นรูปกายหลวงพ่อสมมติว่าหลวงพ่อจะเฉือนเอาอะไรตัดคอก่อนเนาะเอาคอตัดจากตัวแยกเอาเอาหัวเนี่ไปวางไว้อีกที่หนึ่งแล้วก็เอาตัวเนี่ยมาไว้อีกที่หนึ่งตอนเนี้ยลองพี่นาดูที่ถ้ามันแยกพินาแค่ส่วนพอแค่ส่วนหัวเนี่ยมันเป็นเราได้ไหมแค่ส่วนตัวอย่างเดียวเป็นเราได้ไหมสมมุตินะถ้าบางคนก็บอกว่าเอา้า ตัวเราที่ที่มีหัวมีตัวมันมันแยกจากกันแล้วพอแยกเป็นอย่างนี้มันมันเป็นตัวไม่ได้แล้วมันมีมันแยกมาเป็นหัวกับตัวตรงนี้ยังรู้สึกเป็นเราไหมถ้ายังรู้สึกว่าเป็นเราใช่ไหมอ้าวทีนี้แยกอีกผ่าหัวอีกพาหัวพาตัวเนาะพาซอยให้มันเล็กลงเล็กลงเล็กลงเอาหลวงพอ่อรวบลัตัดความหมายความว่าหั่นเป็นชิ้นเละเล เ, ล เ, ล เ, ล เ, ลเหมือนหมูสับเลยนะ แล้วก็หัวก็ไม่มีแล้วตอนเนี้ยตัวก็ไม่มีแล้วมีแต่เหมือนหมูสับแล้วอ่ะมันยังเป็นตัวเราได้ไหมอ่ะบางคนอาจจะบอกเออตัวเริ่มหายแล้วมีแต่เศษแล้วมีแต่มีแต่ชิ้นเล็กๆๆๆๆๆไม่มีแล้วอะอย่างเนี้ยถ้ากับว่าอ๋อเริ่มเข้าใจแล้วว่าตัวเราไม่มีมีแต่ชิ้นส่วนชิ้นส่วนนี่ถ้าทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะเรียกเป็นย่อยๆไปอีกเนะว่าไอ้แต่ละอย่างชิ้นส่วนแต่ละอย่างมันเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็จะเริ่มเริ่มเข้าใจมากขึ้น แต่ทีนี้ถ้าไม่เข้าใจก็ต้องต้องแยกให้หมดเอาแยกเป็นอย่างนี้ก็ได้ทําเป็นอย่างนี้ก็ได้พูดถึงสภาวะนะ <c oughs> เนาะพูดถึงสภาวะก็ได้เช่นทางด้านร่างกายนะร่างกายเนี่ยเราดูที่ว่าส่วนไหนที่มันเที่ยงแท้บ้างนะถ้ามันเที่ยงแท้เนี่ยตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าเป็นตัวเป็นตนคือเป็นอัตตานะแต่ถ้ามันมีความเปลี่ยนแปลงมีความเปลี่ยนไปอันเก่าหมดไปอันใหม่เกิดขึ้น สิ่งนั้นเขาเรียกว่าอนัตตาทีนี้เราก็มามาพิสูจน์กันว่าในกายเราเนี่ยอันนี้พูดถึงเฉพาะส่วนกายก่อนนะมันมีอะไรเที่ยงบ้างเอาถ้าดูเหมือนกับถ้ารูปร่างดูมันเหมือนจะเที่ยงเนาะแต่ว่าถ้าเราเราเห็นอิริยาบถต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนก็จะรู้เลยว่ารูปไม่เที่ยงแต่ตรงนี้มันไม่เข้าใจเท่าไหร่เอาสิ่งที่มันอยู่ภายในดีกว่าเรื่องเซลล์อะเรื่องเซลล์อะ พวกเราเข้าใจใช่ไหมว่าเซลล์เนี่ยมันเกิดตายอยู่ตลอดเวลาเลยเนาะเซลล์เก่าตายไปแล้วก็สร้างเซลล์ใหม่เกิดขึ้นเนี่ยลองมองเฉพาะเซลล์เลยว่าถ้าเซลล์เป็นอย่างนี้จริงอ่ะมันเที่ยงไหมละ่ะเออถ้ามันเที่ยงแสดงว่าไอเซลล์ที่เกิดมาแล้วเนี่ยมันจะต้องไม่ไม่สลัดไม่ไม่หลุดออกไปมันจะไม่เป็นเซลล์ที่ตายแล้วก็ไอเซลล์ใหม่ก็ไม่ต้องเกิดเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นมันก็เป็นเซลล์ใหม่แล้วความจริงมันมันเป็นอย่างนั้นไหมล่ะ ความจริงมันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วเซลล์ Sell ก็คือตายเนาะพวกเรายอมรับมันอยู่แล้วอันเนี้ก็แสดงว่าไอ้ส่วนเนี้ยก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วเอาแล้วถ้าขยายอีกพวกเลือดลมอะเลือดลมอะอากาศอะเอออากาศเนี่ยสมมติลมหายใจอะ่ะที่สูดเข้าไปทุกวันอะแล้วมันมีการสูดแล้วมันก็พ่นออกใช่ไหมเอออ๋อแล้วก็พ่นออกลมที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นเราได้ไหมอะ่ะมันเป็นเที่ยงไหมเออลมก็ก็สามารถมองเห็นได้ว่าเออถ้า เฉพาะส่วนลมมันก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วเพราะมันแล้วก็มีการไหลเวียนด้วยนะมีการเข้ามีการออกมีการเข้าออกอ๋อมันก็เข้ามันเข้ามาจากภายนอกมาสู่ภายในพอพอออกออกจากภายในไปสู่ภายนอกเอ๋อมันก็คือลมคืออากาศปกติของธรรมชาตินี่เริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อในส่วนนี้ก็มันมีความเปรียวนไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ใช่เราอ่าทีนี้ก็ลองพิจารณาอื่นๆอีกดินเมื่อวันก่อนก็พูดไปแล้วเนาะ ดินก็คือส่วนที่เป็นของแข็งพวกเล็บพวกเนี้พวกกระดูกระดูกพวกเอ็นพวกนี้มันก็มีความไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงมันก็เอาสมมตินะสมมติเราพิณาเล็บก็ได้นะพิณาเล็บพิณาทั้งตัวดีกว่าถ้าตัวถ้ามันเป็นตัวเราจริงๆถ้ามันเที่ยงเพราะว่าคําคว่าอัตราเนี่ยมันจะต้องเที่ยงใช่ไห ม, มแล้วก็ส่งสภาพรูปเดิมเอาไว้ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเป็นไงตัวเราเนี่ยพอเกิดมาเนี่ยเมื่อก่อนตัวน้อยเนี่ย ตอนนี้เป็นตัวใหญ่แล้วอ่ะไอ้ตัวน้อยก็หายไปตัวใหญ่ก็ขึ้นมาแทนอ่าถ้ามันเปลี่ยนเป็นอย่างเนี้ยจะเรียกว่าอัตตาไม่ได้ต้องเรียกว่าอนัตตาเออเะฉนนั้นเนี่ยหลวงพ่อพูดมาย่อๆขนาดนี้น่าจะเพียงพอที่จะเข้าใจได้ว่าเ อ, อ่อร่างกายเนี่ยมันเป็นอนัตตานะไม่ใช่อัตตาแต่ทีนี้โยมบอกว่า อ, อก็มันยัง ม, มีความรู้สึกโยง่รู้สึกว่าเป็นเราหลวงพ่อเขาจะอธิบายถึงความรู้สึกเลยนะ อันนี้จะพลิกของที่ความให้เป็นของหายขึ้นก็คือว่าโยมดูนะว่าไอ้ความรู้สึกมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะมีไหมที่รู้สึกตลอดเวลาทุกนาทีว่ามันรู้สึกว่าเป็นเรารู้สึกตลอดเลยนะไม่มีการหลับด้วยเนะอืมรู้สึกจะเดินทางไปไหนมันก็รู้สึกว่าเป็นเรารู้สึกเป็นเราความจริงมันเป็นเช่นนี้หรือเปล่าหลวงพ่อว่าไม่นะ<ม>ใช่ไหมมันรู้สึกว่าเป็นเราแค่บางช่วงบางเวลา แล้วบางช่วงมันก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเราสแสดงว่าความรู้สึกนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงอ่ะก็ไม่เที่ยงอ้าวถ้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกเขาก็จึงเรียกว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาเพราะฉะนั้นแหะเวลามันมีความรู้สึกก็อย่าได้ตกใจก็เพียงแต่ว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกเดี๋ยวมันก็ดับเพราะฉะนั้นความรู้สึกเนี้ยก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นเราจริงๆมันเป็นแค่ความรู้สึกแล้วก็ดับไป ทีนี้ถ้าพ้นจากความรู้สึกมันมีอะไรเหลือเป็นเราอีกก็ไม่มีนี่มันก็มีแค่ความรู้สึกเนาะโอเคนั่นเองเพราะนั้นที่ที่ถามมาก็คือว่าเนี่ยให้เห็นความจริงอย่างเนี้ยว่าถ้ามันไม่เที่ยงเขาเรียกว่าอนัตตาแต่ถ้าอัตตาคือมันต้องเที่ยงแท้แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเราก็พิสูจน์ด้วยตรงนี้แหละว่ามันไม่เที่ยงจริงๆมันก็เป็นอนัตตาจริงจริง แต่ถ้าโยมจะบอกว่าก็ยังรู้สึกอีกนะก็ใช้ข้อเดิมอีกกันแหละความรู้สึกก็คือไม่เที่ยงไนงะ <c oughs> เห็นตัวนี้เลยใช่ไหมมันจะรู้สึกยังไงก็กลับมาที่รู้สึกแล้วก็เห็นว่าเอาความรู้สึกก็ไม่เที่ยงอ่ไม่เที่ยงก็คืออนัตตาะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่มีเราอยู่จริงมันมีเราก็เพียงแค่คิดเอาหรือว่ามีความรู้สึกแค่นั้นเองตอนนอนหลับก็ไม่คิดเห็นไหมก็ไม่มีเราแล้วก็พอพอไม่มีความรู้สึกมันก็ ไม่มีเราแต่พอมันมีความรู้สึกไอ้ความรู้สึกนั่นแหละมันเป็นอนัตตาเสียเองหรือความคิดก็เป็นอนัตตาเสียเองรวมแล้วก็คือไม่มีตัวตนไม่มีเราอยู่จริงนะต่อไปเนี่ยมันหลอกถึงมันจะหลอกว่าเนี่ยังมีตัวตนอยู่หลอกไม่ได้แล้วพอรู้ทันแล้วอ๋อนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวหลับไปมันก็ไม่มีอย่างเงี้ยก็จะเข้าใ จ, จแจ่มแจ้งได้ว่ามีไม่มีเราจริงๆริงจะยกตัวอย่างไหนอีกก็เทียบเคียงหมดเอาสมมุติว่าถ้าไม่มีเราเลยทําไมมีเจ็บวะ ก็พิจารณาความเจ็บเลยว่าความเจ็บมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงแต่เดิมไม่เจ็บตอนนี้เจ็บเจ็บแล้วก็หายไปความเจ็บก็ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงก็เป็นอนัตตาอยู่แล้วก็ไม่ใช่เรา <Yeah. S 1> ก็ให้พิจารณาแยกส่วนแยกย่อยอย่างเนี้แล้วก็จะเข้าใจด้วยปัญญาเองว่า ม, มันไม่มีเราจริงๆสมมตินะสมมตินะที่หลวงพ่ออธิบายแค่นี้ oh. พอเข้าใจได้ไหม <laughs> หรือว่าลองพิจารณ า, าดูที่ว่าใจยังไม่ยอมรับอะไรบางอย่างอยู่หรือไม่ก็ก็ดูตรงนี้แหละไอ้ที่มันไม่ยอมรับก็ความไม่ยอมรับก็ก็ไม่เที่ยงอยู่ดีใช่ไหมตอนนี้ไม่ยอมรับเดี๋ยวพอคุยพานพักคุยไปสักพักหนึ่งไอาการไม่ยอมรับมันไม่รู้มันดับไปตอนไหนแล้วอเพราะนั้นไอการไม่ยอมรับก็ไม่เที่ยงเห็นไหมตัวมันเองแหละมันไม่เที่ยงมันก็ดับไปดับไปเปลี่ยนแปลงไปตลอดคุยต่อว่าอย่างไงต่อ ค่ะก็ถ้าถ้าเราเขาเรียกว่าเลยคะ่ะเวลาเราเข้าใจตรงจุดเนี้ยแล้วเราก็ลองน้อมใจดูค่ะแล้วค่อยพิจารณาก็ได้เราพิสูจน์ดูค่ะนะพิสูจน์ดูก็ได้ว่าเอ้ยมันมันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะเพราะว่าจริงจอิงธรรมะนะคะมันก็เขาเรียกว่าะคะ่ะเพื่ อ, อที่จะมาให้เราพิสูจน์เนี้ยนะคะว่าว่ า, วามันเป็นจริงอย่างที่เเอ อ, เ อ, อ สำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ส่งสอนพวกเรามาแบบนี้หรือเปล่าเพราะจริงๆท่านก็เคยพูดว่าจงอย่าเชื่อเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจําไม่ผิดนะคะจงอย่เชื่อแต่ว่าให้ให้ไปลองแล้วก็ปฏิบัติดูค่ะนะค ะ, นะคะแล้วก็จะได้เห็นผลอย่างที่ตัวเองทราบเองด้วยไม่ต้องให้ใครมาแบบมาบอกอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเนี่ยตอนนี้ด้วยความที่โลกมันเปลี่ยนไปนะคะก็จะมีการเขียนบัญญัติขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยมีการบอกเล่ามีการชี้สอนแบบนี้ค่ะ ทาให้เราลัดสั้นนะคะแล้วก็ได้เห็นอะไรตรงเนี้ยง่ายมากขึ้ น, น ะ, ะถือว่าเป็นบุญนะคะเนี่ยถือว่าเป็นทโชคดีของพวกเราค่ะแล้วการปฏิบัติแบบนี้ก็ผิดนะคื อ, อเร า, เ ข, าเข้าใจความจริงก่อนที่พระพุทธพอเราต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรใช่ไหมค่ะออพระพุทธเจ้าบอกว่าเออมีแต่สังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์แล้วก็ทําทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยสามใจลักษเนี่ย ลักษณะสามอย่างเนี่ยเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นแผนที่ได้เป็นอย่างดีอท่านก็บอกแผนที่เรียบร้อยแล้วว่ามีแต่สังขาร น, นะมีแต่สังขารเท่านั้นแล้วก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาพอเป็นอย่างนี้นะถ้าเราเนี่ยจะปฏิบัติให้มันผิดไปจากนี้เนี่ยมันไม่ถูกอยู่แล้วเช่นบางคนนะอะอย่างเราแผนที่พระพุทธเจ้าบอกเลย ว, ว่าเป็นอนัตตาแล้วเราพยายามจะปฏิบัติเพื่อ ให้ตัวเราเนี่ยเป็นอนัตตามันไม่ต้องปฏิบัติอย่างนั้นอีกเพราะว่าความเป็นอนัตตามันเป็นอยู่แล้วแล้วเอาตัวเรามาปฏิบัติให้มันเป็นอนัตตาซ้อนขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็ผิดกันใหญ่ผิดโตเลยผิดใหญ่ผิดโตเลยเลยนาะเพียงแต่เข้าใจถูกไงเข้าใจถูกว่าเอออะไรที่กําลังปรากฏขึ้นเนาะที่มีอยู่แล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันก็มีอยู่ลหมหายใจก็มีการเดินการนั่งก็มีอยู่แล้วความรู้สึกนึกคิดก็มีอยู่แล้วอ่าก็ เดินตามแผนที่ท่านบอกว่ามันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราก็เห็นไปตรงๆเลยว่าสิ่งนี้เกิดแล้วปรากฏแล้วแล้วก็เข้าใจจากการได้ยินได้ฟังดูแล้วท่านบอกว่าไม่ใช่ตัวตนก็ก็เห็นเลยทีเนี้ยเห็นต่อหน้าต่อตาเลยว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่ปรากฏแล้วหมดไปหมดไปไม่ต้องเอาตัวเราไปปฏิบัติเพื่อไม่ให้เป็นตัวตนอีกมาอย่างนั้นเนี่ยมันจะมีตัวตนอีกตัวหลังเนี่ยไอตัวที่ที่ปฏิบัตินี่แหละ เหมือนกับว่าปฏิบัติเดี๋ยวอธิบายว่าเอาใหม่นะไอความไม่เป็นตัวความไม่เป็นตัวตนเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ด้วยความเข้าใจผิดก็มีตัวเราอีกตัวหนึ่งปฏิบัติเพื่อไม่ให้มีตัวตนมันผิดตรงไหนมันผิดตรงที่มาสร้างตัวเราอีกตัวหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อให้ความที่เข้าใจผิดเนี่ยมันหายไปนะให้เปลี่ยนเป็นความเข้าใจถูก ไอ้ตัวที่มาสร้างให้มีตัวตนตัวหลังเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็หลงอีกมันไม่ต้องสร้างตัวตนแล้วมันไม่ต้องเอาตัวตนมาปฏิบัติหรอกมีแต่มีสติแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงในปัจจุบันว่าเออสิ่งใดกําลังมีกําลังปรากฏเนี่ยก็แค่นั้นเองแค่รู้มันอะแค่รู้ว่ามันเกิดแล้วมันมีแล้วมันดับแล้วแค่รู้อย่างเงี้ยไม่ต้องปฏิบัติเพื่อไม่ให้มีตัวตนอีกค่ะ<ฆ>เนอะ เือ <S <S เอาแน่นเลย<โบ>ไม่ต้องไปปฏิบัติเพื่อไม่ให้มีตัวตนอีกถ้าอย่างนั้น่ะมันก็มีตัวตนเรื่อยไปออทีนี้ทางถูกเป็นยังไงก็คือมีสติเห็นตามความเป็นจริงในปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นก็รู้อะไรเกิดขึ้นก็รู้แค่รู้แหละเพราะว่าสิ่งที่เกิดนั่นแหละมันเป็นอนัตตาอยู่แล้วอ่าถ้าพูดง่ายๆก็คือว่ากาลังเห็นความเป็นอนัตตาอยู่ต่อหน้าต่อตาอย่างเงี้ยก็เห็นอยู่ แล้วก็ไอ้ตัวผู้ดูผู้เห็นเนี่ยที่นั่งดูนั่งทำสมาธิดูเนี่ยไอ้ตัวนั่งเนี่ยตัวปฏิบัติไอ้ตัวที่นั่งอยู่ไอ้ น, นี่ก็เป็นอนัตตาเหมือนกันแล้วตัวที่พูดกําลังพูดอยู่เนี่ยกําลังพูดกําลังพูดมันก็เป็นอนัตตาเหมือนกันหมายความว่าให้มีสติรู้รอบนะรอบรอบ360ส60รองศาเลยหมายถึงว่าเออสิ่งที่ถูกรู้ก็เป็นอนัตตาผู้รู้เนี่ยผู้รู้ก็คือไอ้ที่เรียกว่าผู้ปฏิบัตินะ ไอ้ น, นี้ก็เป็นอนัตตาพอเห็นรอบรู้รอบอย่างเงี้ยมัน ก, ก็มีแต่อนัตตาออมันก็กจบเพราะนั้นนะไม่มีเราเป็นผู้ปฏิบัติหรอกมันมีแต่สังขารทีม่มันกำลังปรุงแตง่งออมีแต่สังขารเดินบ้างนั่งบ้างนอนบ้างเนี่ยที่เรียกว่านั่งทาสมาธิเนี่ะสังขารหมดเลยแล้วที่นั่งปิดตานะ่ก็สังขารหมดเลยแล้วก็นั่งหายใจก็สังขารหมดเลยแล้วก็อะไรอะไรก็รเป็นสังขารหมดเลย ต่อให้ความว่างอ่ะในสมาธิก็สังขารหมดเลยอะ่ะต่อให้ผู้ที่นั่งรู้ต่อให้บอกว่าเนี่ยเราทํำสมาธิได้แล้วเนี่ยไอ้คาว่าเราเนี่ยไอ้นั่นก็ยังเป็นสังขารเลยอะ่ะหรือไอ้ที่บอกว่าโอเราเห็นแล้วว่างมากเลยไอ้ที่บอกไอ้ที่กําลังพูดว่าเราเห็นแล้วว่าว่างมากเลยไอ้นี่ก็เป็นสังขารรวมแล้ว ร, รวมแล้วเนี่ยมันมีแต่สังขารมีแต่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นออไม่มีเราค่ะ